ก่อนที่เราจะพูดถึงรายละเอียดการธรรวส่วนมนุ์ก็ส่วนใหญ่มาพร้อมแล้วก็จะทําพิธีเปิดแต่เช้าเลยนะซึ่งที่พิเปิดนี้เราก็คงจะได้เชิญอาจารย์ประพาพัฒนผู้เป็นเจ้าของโครงการได้กล่าวอะไรที่ปรับรบเกี่ยวกับเรื่องของการการอบรมการเจริญสติซึ่งเรามาใช้สถานที่ของท่าน ท่านจะมีอะไรที่แนะนำเราในแง่ของประสบการณ์เป้าหมายวัตถุประสงค์ ข, ของการฝึกอบลมกรรมฐานแต่เราถึงการใช้สถานที่ใอ้เชิญาจานข้างหน้าได้ไหมทีนี้เพื่อเราจะได้สะดวกใจในการใช้สถานที่แล้วก็การบริการต่างๆที่เราได้รับที่นี่เพื่อความสะดวก อย่างไรอันนี้ก็จะได้รู้เจตนาประสงค์ของเจ้าของโครงการหรือ ว, ว่าถือว่าเป็นเจ้าภาพก็ได้กันขอเชิญพิจารณ์กราบนมัสการหลวงพ่อแล้วก็พระอาจารย์นะคะ <c oughs> รับเรียนท่านผู้ปกครองและท่าน ผู้มีเกียรติที่เป็นญาติธรรมของโรงเรียนลุงอรุณญาติกันทั้งนั้นนะคะเป็นญาติทางธรรมสวัสด네ีค่ะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ต้อนรับทุกท่านโดยมาใช้สถานที่ถือว่าเป็น เรือนว่างที่จัดเอาไว้สำหรับให้มีกิจกรรมของการปฏิบัติเจริญสติภาวนานะคะและเราก็ถือว่าเป็นชุมชนของการปฏิบัติภาวนาร่วมกันของโรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาสมศิน์รวมทั้งท่านที่เป็นเครือข่ายหรือผู้ที่ได้ เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพ่อได้มาใช้สถานที่แห่งนี้นะคะเป็นชุมชนแห่งการปฏิบัติด้วยกันที่ไดเ้เกิดกิจกรรมทํานองนี้ขึ้นมาเนี่ยซึ่งเป็นอโอกาสอันดีเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราได้ความเมตตากรุณาจากาหลวงพ่อพระมหาดิเลก ุทยานันโทนะคะที่ได้ให้เวลาแล้วก็ได้จัดสรรหลักสูตรการปฏิบัติขึ้นมาซึ่งาทางรุ่งรุ่นเองซึ่งตั้งมา16ปีแล้วเนี่ยนะคะก็ได้ปรารบเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นที่จะให้คุณครูหรือว่าเจ้าหน้าที่ทุกๆคนได้มีโอกาสที่จะฝึกฝน เรือนสติเพราะว่าการอยู่กับนักเรียนการที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับนักเรียน mm. ก็จำเป็นจะต้องอาศัยกัลยาณมิตรนะคะเพราะนั้นโรงเรียนรู่รุนก็สแสวงหากัลยาณมิตรมาตั้งแต่ตน้นปีแรกก็ส่งครูไปป ฏ, ฏิบัติแล้วน ะ, ะพอเปิดโรงเรียนมา ร, รุ่นแรกก็คงจะงงอยู่พอสมควรไปปฏิบัติกับาอาจารอมราสาขากร น, นะคะดังนั้นก็ทุกคนก็ได้เริ่มต้น <c oughs> ถือว่ามาในแนวนี้แล้วก็จัดสืบเนื่องมาทุกปเีเราก็ขยายใหญ่ขึ้นนะคะจากเริ่มแรกเรามีนักเรียนอยู่ประมาณ100ร้อยกว่าคน ตอนนี้เราเป็นพันกว่าแล้วนะะดังนั้นภารกิจเรื่องของการดูแลเด็กก็มากขึ้นสูงขึ้นนะคะแล้วก็พบว่าการยานมิตรที่เป็นแค่คุณครูเองก็ไม่พอเอาไม่อยู่เรียกว่านะคะทางโรงเรียนเองก็ได้มีความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง เป็นอย่างดีมาโดยตลอดในเรื่องของการเลี้ยงดูการอบรมบุตรหลานต่างๆทีนี้ผู้ปกครองก็มีบทบาทสำคัญมากเหมือนกันที่จะช่วยในการาจัดสรรโอกาสหรือเงื่อนไขให้กับเด็กเพราะว่าเด็กนีก็อยู่ที่บ้านามากกว่าที่โรงเรียนนะคะ เราจึงได้เกิดชมรมใช่ผู้ปกครองเองก็มีความสนใจเกิดชมรมของอสวดมนต์ขึ้นมานะะชมรมที่ไปดำเนินการพาเด็กๆไปบวชที่อินเดียนะฮ ะ, ะเข้มแข็งมากผู้ปกครองเข้มแข็งแล้วก็มีศรัทธาสูงมากโรงเรียนก็ทำเรื่องอย่างนี้ได้ก็เพราะ กำลังของผู้ปกครองนะคะแล้วก็พบว่าการดูแลเด็กมาในแนวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะมาถูกทางแล้วเพราะว่าโรงเรียนมุ่งพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะไม่ได้เพียงแต่ให้เขาเรียนหนังสืออย่างเดียวแล้วก็ให้เขามีโอกาสที่จะรู้จักตัวเขาได้ เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะฮะ <c oughs> การรู้จักตัวเองรู้จักโลกก็เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตของเขานะฮะทีนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นที่มาของการที่เราพัฒนาเรื่องของการอบรมเจริญสติภาวนาขึ้นเรื่อยๆอาการแสวงหาครูบาอาจารย์เราก็ไม่ได้ปิดกัน้น มีอยู่มากมายนะคะแล้วแต่ว่ า, าท่านผู้ปกครองหรือครูศรัทธ า, าที่ไหนอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันโรงเรียนก็พยายามที่จะจัดให้เป็นหลักฐานมากขึ้นแล้วก็มีความแน่นอนสม่ำเสมอมากขึ้นนะคะเพื่อถือว่าเป็นหลักฐาน สำหรับผู้ที่เข้ามาในชุมชนแห่งนี้ได้ดำเนินการต่อไปได้ง่ายนะคะทีนี้เราก็ได้ความการุณาจากพระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยท่านก็ได้ทำให้เราเกิดความคิดที่ว่าน่าจะมีการพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาเป็นหลักสูตรสร้างครูสตินะคะหลวงพ่อก็ปรารบว่า เ, เขาก็มีหลักสูตรสร้างครูสมาธิกันแล้วนะคะเราน่าจะมีหลักสูตรสร้างครูสติขึ้นแล้วก็ครูสติเนี่ยจะมีความต่างอย่างไรกับครูสมาธินะก็โปรดติดตามเรียนรู้กันต่อไปนะคะ เ, เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็โรงเรียนเองก็สนใจในเรื่องนี้น่เองตัวเองก็ไปปฏิบัต ในแนวของหลวงพ่อเทียนมาหลังจากที่ได้ปฏิบัติมาหลายๆแนวทางแล้วเนี่ยนะคะ<ม>ก็ได้มีโอกาสในการไปปฏิบัติตามแนวทางนี้ <c oughs> กับหลวงตาสุริยาที่วัดป่าสมพนัดมาก่อนแล้วก็เเวลาประมาณสักสองปีกว่านะคะก็หลายครั้งอยู่ไปที่นั่นก็สักประมาณหครั้งได้นะคะ ครั้งหนึ่งก็อย่างนี้ค่ะประมาณเจดวันไม่ไม่ต่ำกว่าเจดวันนะคะที่นั่นก็เป็นที่สัพยะดีแล้วก็เราก็เห็นวิธีการเห็นการจัดการต่างๆมาโดยตลอดนะะแล้วก็พอหลวงพ่อประลบว่าจริงๆแล้วทั้งทั้งผู้ปกครองทั้งุ่นครูเนี่ยก็น่าจะได้เป็นกำลังสำคัญ ในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้ให้ยั่งยืนยิ่งขึ้นเนี่ยนะค ะ, ะเหมือนกับว่าเราก็ะจะไดะ้ช่วยพระสงฆ์ด้วยพระสงฆ์ก็ไม่ค่อยพอที่วัดที่วัดสมบูรั์เองหรือวัดอื่นเองตอนนี้ก็มีคนสนใจเข้าไปปฏิบัติเยอะว่าสมบัรณ์บางครั้งล้นวัดนะต้องเรียกว่าอย่างนั้นสองร้อยกว่าคนนะทีหนึ่ง เพราะนั้นท่านก็ดูแลลงบากท่านท่านก็เลยลหลวงพ่อท่านก็เลยปลาลบว่าก็น่าจะมีครูที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาบ้างนะคะจะได้ช่วยกันเป็นกำลังสำคัญต่อไปนั้นก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เราก็ฝึกมาได้เห็นมาได้ปฏิบัติมาแล้วก็เกิดความศรัทธาด้วยแล้วก็มีความเป็นไปได้ในแนวทาง การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเทียนเนี่ยไม่ยากนักนะคะใช่ไหมก็ไม่รู้นะต้องถามคนที่ปฏิบัติแล้วไม่ยากนักเจ็ดวันนี้อยู่ได้ก็เรียกว่าใช้ได้แล้วนะคะก็มีผู้ปกครองที่ไปกับหลวงพ่อที่ออศรมมาตาด้วยใช่ไหมคะก็ได้หลวงพ่อก็มาแนะนำสถานที่อื่นๆให้ด้วย ฉันก็คิด <ído> ว่าพวกเราโชคดีนะมีบุญเป็นผู้ที่อาจจะหาได้ยากนักนะในหมู่คนไทยหรือคนในโลกนี้ทั้งหลายที่จะได้มีโอกาสอย่างง่ายดายเช่นนี้นะคะเหลืออย่างเดียวก็คือตัวเรานะโอกาสนั้นพร้อมแล้วนะคะการปฏิบัติสิบสี่จังหวะนี้เนี่ยเคลื่อนไหวนี้เนี่ย ทำให้เรานำไปใช้ในชีวิตได้ก็หวังว่าเมื่อทุกท่านได้มาศึกษาเรียนรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยสามารถจะนำไปใช้กับชีวิตไปใช้กับครอบครัวไปใช้กับลูกๆนะคะแล้วก็ตัวท่านเองได้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่นานเกินรอนะคะไม่ต้องรอชาติหน้านะคะเอาชาตินี้เลยนะะ ความก้าวหน้าก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะคะที่ว่าเราจะนำไปได้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรขอแ ต, แต่เพียงว่าเราเได้เป็นผู้ที่เข้าสู่เส้นทางการเป็นผู้ศึกษาปฏิบัตินะคะเท่านี้ก็เชื่อว่าผลย่อมเกิดขึ้นแน่ๆเราก็เพียงจะทำเหตุที่ถูกต้องเท่านั้นเองนะคะ พูดให้ฟังดูง่ายค่ะแล้วก็จริงๆก็อาจจะเจออุปสรรคอยู่บ้างทุกๆ ท, ท่านแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะอุปสรรคนั้นก็เป็นสิ่งที่ชวนให้เราเป็นโจทย์ให้เราได้ได้ศึกษาและปฏิบัตินั่นก็คือ เ, ออเส้นทางแห่งความก้าวหน้าถ้าเรารู้จักรวนแล้วก็ศึกษาแล้วก็ เ, เรียนรู้ที่จะได้ แก้ปัญหาต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาคู่กันนะคะเราก็ยินดีต้อนรับทั้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราก็าปฏิบัติไปนะคะ <c oughs> ก็ตัวอย่างเหมือนอย่างหลวงพ่อเทียนท่านก็ปฏิบัติจนวาราสุดท้ายนะคะจนลมหายใจสุดท้ายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็น อ, อนุสติ เตือนเราว่าขณะท่านนอนอยู่บนเตียงเรียกว่าจะหมดลมแล้วเนี่ยทัานกังยกอยีกเลยก็แสดงว่าอยู่ที่ไหนก็ทำได้นะคะในวาระโอกาสไหนก็ทำได้ก็ให้เหมาะสมแล้วก็ให้เราเกิดความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานะคะก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจที่จะปฏิบัติให้เกิดผลขึ้น ในเวลาอันเหมาะสมแล้วก็ได้มีเรียกว่าการยานสหายร่วมกันนะสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันได้พากันปฏิบัติในในแนวทางที่เราเรียกว่ามีเพื่อนเดินไปด้วยกันทางนี้นะคะ เป็นทางที่เราไม่ได้โดดเดี่ยวนะแล้วก็พอปฏิบัติไปจนกระทั่งที่เร า, เ, าเกิดศรัทธาขึ้นแล้วนะฮะเกิด เ, เรียกว่าเข้าสู่มีมีมีกำลังพอสมควรมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเราก็จะจะได้เป็น กัญยานมิตรในตัวของเราเองแล้วก็ขอให้ได้ไปเป็นกัญยานามิตรกับคนที่อยู่รอบข้างนะก็โดยเฉพา ะ, ะลูกๆของเราซึ่งเขาก็จะเป็นเยาวชนที่ต้องเติบโตขึ้นในโลกแห่งความสับสนของปัจจุบันนี้นะคะสับสนจริงๆนะค ะ, ะเขาก็จะเข้า สู่โลกแห่งความสับสนแน่นอนนะซึ่งไม่มีทางเรียงได้เพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกท่านก็จะไปเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็ทําให้เขาพึ่งพาตัวเองได้นะคะจากสติปัญญาภายในของเขาให้เขาไปเป็นกัลยาณมิตรให้ตัวเขาเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะให้ได้มากที่สุดมากกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายนะคะ นอกเหนือไปจากวิชาความรู้แล้วเนี่ยความรู้ในการที่จะรักษาตัวเองให้เป็นผู้ที่อยู่ได้ในโลกอันสับสนใบนี้นะค ะ, ะก็หวังว่าทุกท่านก็จะได้ความเมตตาจากหลวงพ่อแล้วก็พระสงฆ์ที่ได้มานำปฏิบัติเป็นอย่างดีนี้แล้วก็ใช้โอกาสนี้ ทำในสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเรานะคะให้เกิดผลอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นไปอย่างราบรื่นก็ไม่ต้องเกรงใจสถานที่นี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ของทุกท่านนะค ะ, ะฉะนันก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้ามีผู้มาใช้ก็แสดงว่าที่นี่ได้ผลแล้วนะคะในระดับหนึ่งะค่ะก็ขอให้ทุกท่านได้ เจริญในธรรมทุกๆคนนะคะโดยรวดเร็วภายในห้าวันสิบวันบรรลุธรรมตามสมควรแก่การปฏิบัติของทุกท่านค่ะวก็ขออนุทนาสาธุในธรรมกาบรบแล้วก็เปิดโครงการ องการของอาจารย์ประภาพซึ่งก่อนอื่นที่เราเข้าสู่เรื่องราวขอการอบรมเบื้องต้นนี้จะให้อาจารย์พระอาจารย์เรามาสามรูปนะพระอาจารย์เอกวุฒิแล้วก็พระอาจารย์สงบที่สมมาตาเราพระช่วยกันเสียรูปเพราะว่าสถานที่กว้างมาก ก็เลยใช้พระสีรูปที่นี่เราสถานที่ไม่กว้างเท่าไหร่ก็สามรูปน่าจะยังพออีกรูปหนึ่งก็กำลังเดินทางอีกสองรูปกลับไปที่วัดก็ในเบื้องต้นนี้ตามที่ดูทะเบียนแล้วทั้งหมดย3สสาใช่ยบสาท่านก็แสดงว่าที่เหลือยังไม่ได้ลงทะเบียน <c oughs> อยากจะให้ลงทะเบียนให้ครบตามที่แจ้งมาทั้งหมดเท่าไหร่ยมสอง สามสองใช่ไหก็ขาดประมาณสิบสิบท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะเดี๋ยฟอมนะเพราะเราจะได้แยกให้ชัดว่าคนที่เคยปฏิบัติมาแล้วและคนที่ยังไม่เคยปฏิบัติก็จะใช้หลักสูตรหุนลาชุดกันนะผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วก็จะต่อบทเรียนไปเลยผู้ยังไม่เคยปฏิบัติหรือปฏิบัติยังไม่เคยเข้าคอร์สเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ใหม่อยู่นะ เขาเคยปฏิบัติแล้วหมเขาเคยเข้าคอดมาแล้วแต่สาหรับคุณเคยปฏิบัติที่ยังไม่เคยเข้าคอดอาจจะศึกษาดูทั่วไปแบบเคลื่อนไหวเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นผู้ใหม่อยู่ก็ให้ลงทะเบียนว่าเป็นผู้ยังไม่เคยเข้าคอดกับเคยเข้าเคยเข้าคอดห้าวันเจ็ดวันที่ผ่านมาก็ถือเป็นผู้เคยแล้วก็ได้ต่อหลักสูตรอาจารย์วิชิตเป็นแขกผู้มีเกียรติตรงนี้ในวมาร่วมโครการ จะมีชิ่อาจารย์ผองนี่ยจะให้เข้ารอบสองอยู่นะเป็นครูสติคนแรกที่มีผลงานอบรมข้อดเดียวเนี่ยไปอบรมต่อทั่วประเทศเลยก็เรียก ว, ว่าครูครูตัวอย่างเคาเชิญอาจารย์นณะ <c oughs> ก็ตกลงว่าเรื่องของทะเบียนนี้เขาไว้ว่ากันต่อที่หลังเนาะเพราะจะไม่เช็กตอนนี้ หลังจากที่ทานอาหารเช้าเสร็จแล้วว่าเช็คหลังจากลงทะเบียนแล้วนี่ก็จะได้รู้ว่าผู้ใหม่กี่ท่านผู้เก่ากี่ท่านเบื้องต้นนี้อยากจะให้ทราบก่อนว่าหนังสือสวดมนต์ที่เราใช้ทุกเช้าเนี่ยจะบอกวิธีสวด น, นะว่าคือส่วนใหญ่แล้วนี่การสวดมนต์ถือว่าเป็นบริกรรมภาวนานะบริกรรมภาวนาถ้าสมมติเรา ทำตามจุดมุ่งหมายที่ให้ส่วนจริงนั้นเราก็จะได้เขาเรียกว่าสมถะกรรมฐานไปในตัวแล้วก็จะได้ทั้งสมาธิและได้ทั้งอโลกะอโลกะสัญญาฝึกอโลกะสัญญาคําว่าได้สมาธิคือจิตจุดจ่ออยู่ในในตัวหนังสือแล้วก็อโลกะสัญญาสําหรับผู้ที่จําได้แล้วเนี่ย จำสวดมนต์ได้แล้วมีบางไม้มที่จําได้สดมดมนเช้าได้ตลอดขอความกรุณายกมือยังไม่มีเลยนะ <c oughs> ก็น้องใช้ตัวใช้สมาธิอย่างเดียวนะคาว่าอโลกรสัญญานี่หมายถึงว่าสมมติเราใช้คําว่าโยโซ ต, ต, ตัทาคาโตเนี่ยให้ขยายคําว่าโยโซ ต, ตัถาคตูในในที่เราสวดอ่ะให้ตัวใหญ่ๆให้เห็นชัดๆเลยนะเพราะอโูกรสัญญานี่คนไหน ทำอยู่ปรนะจําแล้วคนนั้นจะได้อัฟฟิยาเหมนนนะตามทีป่ประสบการณ์นะแล้วก็ถ้ายังจําไม่ได้เวลาสวดก็ให้ให้ดูให้ชัดแล้วบทไหนที่เราได้แล้วเนี่ยไม่ต้องใช้หนังสือสวดไปเพราะส่วนใหญ่เนี่ยสวดได้ตามเขาก็คือว่าตามเข้าไปเขาพาถูกก็ถูกเขาพาผิดก็ผิดนะส่วนใหญ่นี้ อันที่สองคือพอได้แล้วก็ปากว่าไปแต่ใจไปทางอื่นไม่อยู่ที่ตัวหนังสือนะอันนี้ก็เลยไม่เป็นทั้งสองอย่างสมาธิก็ไม่ได้อาลกัสัญญาก็ไม่ได้เพราะงั <c oughs> ให้มันได้อย่างหนึ่ง ด, ดังด้อย่างหนึ่งถ้าเรายังจำสวดยังไม่ได้ไม่สามารถขยายเป็นภาพในอิมเมจของเราได้ก็ให้จิตจดจำในบทบทสวดนั่นนะจนกระทั่งต่อไปพอจิตของเรามีสมาธิ มันเกิดการจดจําตรงนั้นเอามาได้ทั้งเล่มนี้โดยที่ไม่ต้องท่องเลยนะเพราะสวดไปทุกวันทุกวันเราใช้หลักสองอย่างนะใช้หลักของสมาธิกับใช้อโลูกสัญญาเนี่ยมันจะจําได้เองนะ <c oughs> แล้วก็ชัดนะแล้วก็เมื่อได้โลกสัญญาเราจะเข้าใจความหมายของบทสวดนั้นเช่นเราสวดว่าเยสังปริยายัทรัมโนโซภะกวา พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อยังทรงพระชนอยู่ได้กําหนดรู้และสอนพิสูจนทั้งหลายว่ารูปังอ น, นิจจงเนี่ยทั้งแต่บทนี้เป็นต้นไปรูปูปาทานันกขันโทแต่ภาพใหม่เวลาไปสวดไปร้อกันนะโอ้ส่วนมูลนี้ดีมีทั้งรูปูรูปาเลยนะีว่าเอาไปล้อกันเฉยเพราะฉะนั้นในจุดเนี่ยถ้าหากว่าเรา จำได้มันเป็นบทปฏิบัติทั้งหมดเลยเมื่ อ, อยังทรงพระชนอยู่ทรงสั่งสอนเราทั้งหลายว่านูปังอานิจังนะรูปไม่เที่ยงตั้งแต่บทนี้เป็นต้นไปจนไปบทที่ว่าเกวรสะทุกขกขันธสัศ์อันตกิริยาปัญญาเยธาติตรงนี้คือบทสรุปของทั้งหมดเลยเกวรสะทุขขันธสัตวะ อันตรกิริยาปัญญาเยทาติทำฉไหนาการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้การทํำ ท, ที่ที่เรามีอยู่มันมีทุกอยู่สองอย่างใช่ไหมคือความไม่สบายกายหรือว่าทุกกายความไม่สบายใจและกระทู้ใจถ้าสองอย่างนี้ถึงการสิ้นสุดก็หมายาว่าอั น, นั้นคือเป้าหมายของเราทุกกาย ก็ยังมีอยู่ทุกใจก็ยังมีอยู่จะทําให้มันหมดได้อย่างไรคําว่าสิ้นสุดคือมันหมดทุกกายเนี่ยถ้าเราบําบัดเป็นมันมีอยู่แต่ว่ามันมันมันมีอยู่เหมือนไม่มีเพราะว่าเราบําบัดมันได้เรื่อยๆทุกใจก็เหมือนกันมันมีอยู่แต่ว่าเราบําบัดมันได้เรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีทีนี้มันมีคําว่าปัญญาเยท่าติธรรมฉไนการทําที่สุดแห่งของทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัด ช่ที่เราสวดเมื่อกี้ปัญญาคำว่าปัญญาที่เรารู้จากในความหมายที่เรารู้กับปัญญาในในที่ีคนละเรื่องนปัญญาที่นี่แปลว่าปรากฏชัดใช่ที่เราสวดมีแต่ปัญญาที่เราใช้ความหมายข้างนอกแปลว่าอะไรเช่ไหมแเราความคิดรู้ทั่วรู้ลึกรู้ซึง้งรู้กว้างรู้ละเอียดรู้ถี่ท่วนอะไรกว่าไปตามความหมายอันนั้นเป็นเป็นความหมายแบบ ปฏิยัตินะแต่ความหมายปฏิบัติอย่างซม้งแล้วนั่งขณะนี้อะไรปรากฏชัดในตัวเราอะไรปรากฏชัดเห็นไหมคนที่นั่งมานานก็ปวดขาใช่ไหมปวดขาเวลาพลิกปั๊บเนี่ยความปวดขาหายไปไหมอะไรปรากฏชัดความไม่ปวดปรากฏชัดเห็นรู้แ ค, แค่นี้เป็นปัญญาแล้วในแง่โลดไปเป็นโลกุตระปัญญา แต่ปัญญาที่เราในแง่ของการศึกษาก็คือรู้รายละเอียดอะไรต่างเป็นผลนะะแต่ถ้ารู้ชัดในส่วนเหตุนี่แล้วเนี่ยปัญญาตัวโลกิยาที่ว่าเ ม, ามื่อกี้มันเป็นผลมันจะรู้พวกนั้นไปเองรู้รายละเอียดลึกซึ้งในเรื่องของบัญญัติไปเองแต่เหตุของให้เกิดปัญญาคือโลกุตระปัญญาที่เราเห็นในปัจจุบันถ้าไม่ชัดในจุดนี้นะตัวนั้นก็จะไม่ลึกเหมือนกันนะ เหมือนกันเวลาเราสวดว่าเมื่อกี้ว่าถ้าหากเราสร้างตัวอิมเมจสร้างภาพขึ้นในหัวอิติปิโสพักกว่าเห็นอีตัวอิวิโสชัดเจนมากแนละ้วพักกว่าก็เห็นชัดเจนมากในในภาพที่เร า, า, าเขาเรียกอะไรจินตนาการขึ้นมาและตัวนี้ปรากฏชัดในหัวการที่ปรากฏชัดในกายก็ให้เกิดตัวปัญญาในส่วนที่เป็นปัญญาเป็นญาณ แต่ถ้าปรากฏชัดในจิตที่ว่าเมื่อกี้มันพัฒนาไปเป็นอภิญญามันไปจากตรงนี้ทั้งหมดเลยมีสองระดับคือปรากฏชัดทางกายกับปรากฏชัดทางจิตดังนั้นในการใช้สดมนตรงนี้เป้าหมายเพื่อให้เกิดสมาธิภาวนาก่อนถ้าเรายังไม่จดจำบทสวดได้ แลเมื่อเราจําบทสวดได้เราก็ไปฝึกตัวอโลมสัญญาคือสร้างคําพูดนั้นถ้าหากว่าเราเผลอนิดหนึ่งเนี่ยไปคิดนิดหนึ่งเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะหายวับไปจากหัวเราเหมือนกันนะหายวับไปเลยเราก็จะไม่เกิดเล้ก็ท่องไปสวดไปอยู่ที่ไม่มีความหมายอะไรอะ่ะแต่พอเราว่าสองกรณีถ้าเรายังจำไม่ได้เห็นบทสวดชัดเจนจนติดตาเป็นบริกรรม อนิมิตบริกรรมภาวนาเป็นสมาธิเบื้องต้นต่อเมื่อไดเราจดจำได้แล้วเป็นอโลกากสัญญาเป็นสมาธิเบื้องสูงเห็นไหมเป้าหมายดังนั้นเวลาสวดจึงให้ตั้งใจเวลามันลืมปับ๊บก็บกำหน ด, ดมาให้ชัดชให้ชัดที่ดวงศีที่เราสวดแต่ละวันก็จะ ส่วนไม่เท่าไม่เหมือนกันว่าตเช้าเนี่ยเต็มสูดก็คือตัวทําวัดเช้าเพราะมันเป็นบทปฏิบัติ ด, ด้วยนะเป็นบทปฏิบัติตรงที่ว่าเราปฏิบัติอะไรปฏิบัติให้มารู้ความหมายของส่วนอันนี้การส่วนหนะ้านี่จบไปเรื่องของอภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติเราหลังจากที่ราแว่งกลุ่มผู้ใหม่กับผู้เคยฝึกเคยเข้าคลอดกับผู้ยังไม่เคยเนี่ย ในผู้ที่เคยแล้วหลวงพ่อก็จะสลับกันดูแลกับพระอาจารย์เอกวุฒิทั้งนี้เพื่อที่จะได้พระอาจารย์เอกวุฒิก็มาจากพระแสงเทียนก็มาช่วยกันเพื่อที่จะให้ทั้งสองส่วนในส่วนที่ผู้เคยปฏิบัติแล้วอาจจะเน้นในเรื่องของเวทนาเรื่องของจิตไปเลยแต่ในส่วนทู่ยังไม่เคยก็จะเน้นเรื่องกายานุปัสนา ถ้าเราเข้าใจกายานุปัสนาชัดจะเข้าใจเรื่องรูปนามถ้าเข้าใจเรื่องเวทนาและจิตชัดจะเข้าใจเรื่องปรมัทิต์ไปเลยมันจะเป็นลัลกษตรที่สั้นไม่วกวนไปเรื่องของสมาธิระดับต่างๆนะให้เข้าใจณนะเบื้องต้นนี้ก่อนว่าหลักษตรการตื่นรู้แบบเคลื่อนไหวของพระเทียนเราจะไม่เน้นตัวสมาธิหรือตัวปีติแบบสมถะ คือตัวสมาธิแบบสงบตั้งมั่นเข้าฌานลึกนิ่งดิ่งดับไปอันนั้นจะไม่เน้นแต่เน้นสมาธิจากการตื่นรู้นะาการที่จิตตื่นรู้ในะปัจจุบันชัดๆอันนั้นถือว่าเป็นสมาธิแล้วบางคนยังสงสัยว่าไม่นั่งหลับตาไม่นั่งสงบนั่นเป็นสมาธิได้อย่างไรอันนี้คือเราติดสมาธิในความหมายในคอนเซปต์ ข, ของสมถะคือจิตต้องนิ่งสงบดิ่ ง, ด, งดับลั บ, ล, บลึกอะไรเนี่ยอันนั้นไม่ใช่เราจะไม่เน้นจุดนั้น แต่เราจะเน้นการตื่นรู้ว่าเรารู้เนื้อรู้ตัวชัดเจนตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยจิตไม่วอกแวกไม่ไปอยู่ในความคิดไม่ไปอยู่ในอารมณ์อะไรเห็นกายว่ามันปวดตรงไหนมันเมื่อยตรงไหนมันเป็นเวทนาตรงไหนชัดๆเนี่ยตรงนั้นเป็นสมาธิแล้วเป็นสมา ธ, ใธนะิในวิธีของวิปัสสนานะในวิธีปัสสนาฉังนั้ น, นเวลาเราฝึก ก็จะไม่ต้องสงสัยว่าสมาธิที่เราทำกับสมาธิที่เราเข้าใจมาก่อนนั้นต่างกันอย่างไรสมาธิที่เราเน้นในการตื่นรู้ก็คือสมาธิที่เราเห็นกายเห็นใจได้ชัดในปัจจุบันแค่นี้ก็พอแล้วเขาเรียกเป็นคณิกะสมาธิอย่างมากก็ไม่ไม่เกินอุเบจระสมาธิเราจะไเข้าไปไม่ถึงอัปปนาสมาธิเพราะอัปปนาสมาธิต้องอเข้าไปสู่ตัวสมถะ อะไรต่างซึ่งเวลาเราไม่พอเวลาแค่ห้าวันเจ็วันถ้าจะไปเนีนํามบณนาปาต้องใช้เวลาเป็นหลายๆเดือนซึ่งปัจจุบันนี้เราไม่มีเวลามากขนาด น, นั้นเราก็เอาสมาธิที่เป็นไปเพื่อวิปัสสนาไม่ใช่สมาธิของสมถะถามว่าสมาธิเพื่อวิปัสสนากับสมาธิสมถะต่างกันอย่างไรถ้าทําถูกไม่ต่างกันคือเป็นสัมมาสมาธิเหมือนกันทั้งสองอย่างแต่ถ้าทําไม่ถูกมันก็ไปโคนละทาง ไปคุณระถังสมาธิที่เป็นสมถะก็เป็นไปเพื่อความสงบลึกซึ้งเข้าฌานเข้าลูา่ประชานลู่ประชานไปเป็นพลังจิตเป็นอิทธิปฏิหารเป็นนิมิตอะไรต่างๆไปอีกทางหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อวิปัสนาทาให้เราเห็นรายละเอียดของกายของใจได้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆได้เห็นได้ครอบพุม่ม ามากขึ้นเรื่อยๆ เ, เราเห็นการเคลื่อนไหวเห็นาการแปลเปลี่ยนในร่างกายเห็นหลักของอ น, นิจจังทุกขังนาตาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วนํานไปสู่ตัวปัญญาเลยฤทธินะ์ที่เป็นวิปัสสนาจะเป็นฤทธิ์ทางปัญญารู้เห็นอะไรแจ่มแจ้งชัดเจนในการ ใ, ในใจของตัวเองแต่ฤทธิ์ทางสมถะจะเป็นไปเพื่อพลังอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาเล่นเขาทํากันเขามุ่งกันแต่ว่ามันเป็น ตัวปัญญาในเรื่องของของของรูปแต่ในส่วนของวิปัสสนาเป็นปัญญาในเรื่องของนามแต่ปัญญาในเรื่องของนามนี่เองมันจะไปดับกิเลสได้แต่ปัญญาในเรื่องของรูปมันจะดับกิเลสไม่ได้นะอันนี้คือเป้าหมายที่เราจะไม่เน้นสมาธิแบบนั่งสงบมือหรือหลับตานะแต่เราก็ไม่ห้ามกันนะพอทำมานานนะใช่ไหมบางคนยหลับตาก็าหลับอยู่ดีแหละ มีพระของอาตมานั่งเอ๊ะผมหลับตาผมก็ตื่นรู้อยู่นะแต่ในช่วงไหนมันหายวิบเนี่ยง่วงโดยไม่รู้ตัวเลยนวลไปเลยว่างั้นเน่ยสะพงกเลยถามรู้เอผมก็ไม่ได้สะพงก์แต่แต่คนอยู่ข้างนอกเขาเห็นสะพงก์เพราะมันได้เหยียดอ่อนมากเลยไววิบเลยอันนั em damned, ้นก็ฝ so ึกลืมตาไว้ก่อนนะก็ในส่วนเนี้ส่วนลืมตาหลับตาเนี่ยมีตำนานเรื่องของท่านโพธิธรรม หลายคนเคยได้อ่านหนังสือที่หลวงพ่อแปลเรื่องของพธิธรรมประมาจาย์ตักหม้อ์นะตามประวัติเวลาเราเห็นภาพของท่านพุทธิธรรมเนี่ยท่านจะเห็นแต่หน่วยตานะไม่ไม่เห็นตาถลนออกมานอกเบ้าเลยท่านบอกว่าในช่วงที่ท่านนั่งกรรมาฐานหันหน้าเข้ากำแพงเก้าปีเนี่ยปัญหาหนักที่สุดปัญหาง่วงวันหนึ่งท่านเกิดแรงบันดาลใจท่าน ตามประวัตินะแต่หลว่อไม่ไม่ค่อยเชื่อหรอกมันแรงเกินไปฉันบอกว่าเฉือนหนังตาทิ้งเลยว่างั้นเ <c oughs> หลือแต่ลูกตาค่อนข้างแรงว่าอแต่ถ้าบอกว่าหาง่วงในถอนขนตาทิงท้งหมดถอนขนคิ้วทิ้งหมดเพื่อจะแก้ให้มันตาเ อ, ออย่างนี้พอเชื่อได้นะบอกว่าเป็นไปได้แต่เฉือนหนังตาทิง้งอยมาว่ารับไม่เคยได้เลย <c oughs> มันแรงเกินไปเพราะว่าหลังจากท่านทำอย่างนั้นปรากฏว่าตื่นตลอดเลยว่างั้นนะตื่นตลอด แล้วก็พวกหนังตาที่ท่านเฉือนทิ้งก็ไปตกตัวนั้นกลายเป็นต้นชาของืองจีนทุนทุกวันนี่ว่าเงินเพราะฉะนั้นคนจีนก็ได้ดังในเรื่องชาขึ้นหนังตาของท่านพุท ธ, ธิธมนี่เรื่องเล่าอ น, นี่ยตามประวัติที่ีเขาว่าไว้คือการตื่นรู้เนี่ยให้ชัดเจนที่สุดว่างงเงะ้ยแต่ความหมายปิิศธรรมการเฉือนหนังตาออกมาถึงว่าการตัดความง่วงได้นั่นเองนะถ้าเป็นปริศนา ดานปรมาภคือตัดความมั่วและเด็ดขาดก็เหมือนไม่มีนังตาเลยตื่นโดยสมบูรณ์อันนี้คือความหมายดังนั้นใครจะนั่งสมถธามานานแค่ไหนต้องฝึกลืมตาให้มากที่สุดก็แล้วกันอถ้ามันไม่ไหวจริงจิงก็ก็หลับได้แต่ว่าอย่าหลับนานโดยเฉพาะคร้งที่แล้วไปมีคุณครูคนหนึ่งบอกว่ามันมันลืมตาไม่ขึ้นเลยนั่งสวดมนต์ก็จะหลับตลอดก็เลยว่า เป็นอุปสรรคในแง่ของการทําวิปัสนานั่นเองในช่วงเช้านี้หลวงพ่ออยากจะสาธิตนิดนึงเรื่องการกราบที่พวกเราเห็นเห็นพวกเราแล้วกราบยังไม่ครบนะกราบตัวเองเราคงยังงงงงนะกราบตัวเองกราบแบบไหนแต่กราบพระนี่กราบสามพระกราบตัวเองกราบห้ากราบตัวเองเรียกว่าเป็นจาง ขปดิษใช่กราบพระเรียกว่าตรายางขปดิษเมื่อกี้เรากลบแบบตรายางอัญชลีวันทาอภิวาสที่กับเบญจางขปดิษคือกับตัวเองกับตรายางขปดิษคือกับพระกับนสวยทีนี้หลวงพ่อจะสาธิตกับเบญจางขปดิษพระอาจารย์ท่านสาธิตกลับตรายางขปดิษนะที่นีกลับแบบไหนดูแล้วนั่งอาจจะตังกันนิดหน่อยนะขอสาธิต นั่งลงเรามีการกราบพระกราบตัวเองแล้วก็กราบไล่มานมีสามอย่างนะเอาไปฝึกให้เป็นทั้งสามอย่างแล้วเราก็ใช้อุบายเหล่าเนี้ในวิธีการหลวงพ่อเทียนนั้นจะใช้อีเดียบทเป็นตัวแก้ไขาอารมณ์จะไม่ใช้ลักษณะนึกคิดจินตนาการเอาบทนั้นมาพิจารณาเอาบทที่มาพิจารณาแต่ว่าจะเอา เรียบบทการเคลื่อนไหวทั้งหมดเข้ามาแก้ดังนั้นการกราบนะมีความหมายตรงที่ว่าตัวอัญชลีมาจากคำว่าดอกบัวใช่ไหมวัว้ทาไปว่าไหวอภิวาสไปว่ากราบลงงนั้นตัววัฒนธรรมไทยเราใช้ตัวดอกบัวแทนหัวใจ เรถือว่าดอกบัวเป็นดอกไม้ที่เกิดมาในในเรนในตมุมพอพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนพ้นน้ำพ้นจากเรนจากตมุมแล้วก็รับแสงสว่างแล้วก็ดอกบัวก็เข้ามาเกี่ยวข้องในพุทธศาสนาในหลายๆมิติปัจจุบันนี้ถือดอกบัวเป็นดอกไม้ประจำประจำพุทธศาสนาที่จับประจำชาติที่เขาประกาศไปดอกไม้ประจำชาติ ไทแล้วนะดอกบัวนะโร ด, ด, ดัสฟ lower เ, เนี่ยก็อัน <c oughs> ดับแรกที่สุดที่เกี่ยวข้องกับพุทธิชาก็คือตอนไหนตอนที่พิจารณาในการที่จะเผยแพรธรรมะใช่ไหมว่าตอนแรกหลังจากท่านบรรลุคงบรรลุธรรมแล้วนี่ก็มาพิจารณาถึงคนทั้งหลายที่สแสวงหาเศรษธรรมเนี่ยทอ้อว่าคนทั้งหลายนี่สแสวงหานอกตัวหมดเลย นะถึงจะเข้ามาดูในตัวก็เพื่อให้เพ่งเป็นพลังเป็นฤทธิ์เป็นอำนาจเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารไปแต่ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นความเป็นธรรมดาเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ต้องการความเป็นธรรมดาแต่สิ่งที่พระองค์ค้นพราะว่ามันจะพ้นจากทุกต้องกลับมาสู่ความเป็นธรรมดา ถ้าเาจะเอาเรื่องธรรมดาที่เราพบเนี่ยไปพูดให้คนฟังทั้งหลายซึ่งส่วนใหญ่ร้อยแปดลัที่สมัยนั้นก็สอนแต่เรื่องที่ไม่ธรรมดาเท่านั้นแต่ละเจ้าลัทธิก็จะมีอะไรวิเศษเป็นของตัวเองวันนี้อาจจะเหาะเหินเดินอากาศได้ทุนี้อาจารย์ดำดินบิ น, บ, นบินได้คนนั้นอาจจะทักทายที่ น, นี่จะทํานายอะไรได้อดีนอนตนักขได้ชัดเจนไปทั้งนั้นหมดเลยแต่ว่ากับตัวเองเนี่ยไม่รู้จัก แล้เดี๋ยวเอาเรื่องเหล่านี้ไปสอนนี้ใครจะใครจะสนใจบอกเพือย่างนั้นเราเอาคนเดียวก็พอไม่ต้องไปสอนใครปรากฏว่าเพื่อนของท่านคนหนึ่งชื่อว่าท้าสามบุตริพมรู้ใจเพราะเคยเป็นเพื่อนกันมาหลายภพหลายชาติว่าเพื่อนอฝ่ายหนึ่งคิดเรื่องอะไรอีกฝ่ายหนึ่งรู้เนี่ย <c oughs> ท่านก็เลยลงมาว่างัน้นมาบอกว่าโอ้ท่านจะคิดอย่างนั้นไม่ได้แต่หนักแต่ท่านใช้ว่าปริวิตกรนะท่านจะปริวิตรอย่างนั้นไม่ได้ เพราะสัมภัสัตว์ในโลกนี่คนที่มีทุรีในดวงตาบางอาจจะฟังท่านเข้าใจก็ได้แล้วก็ยกดอกบัวสี่เหล่าแต่ความจริงตามตำราบอกมีสามเหล่านะเหล่าที่สี่ไม่มีเหล่าที่สี่เพิ่งมาบัญยัติทีหลังเหล่าที่สี่ญญสชื่ออะไรนะเหล่าที่หนึ่งหมายความว่าพอฟังทาที่หน่อยคาแนะนำที่หน่อยก็เข้าใจเลย เหมือนกับดอกบัวที่พลนน้ําแล้วพอได้รับการแนะนํานิดหน่อยก็บานเลยเนะหล่าที่สองเสมอน้ําจะบานในวันต่อไปหมายความว่าหลังจากได้ฟังแล้วต้องการคําอธิบายอธิบายในรายละเอียดอะไต่างๆแล้วก็ถึงจะเข้าใจอันนี้เรียกว่าเหล่าที่สองเรียกวอุคติเหมือนดอกบัวที่เสมอน้ําเหล่าที่สามหมายถึงว่ายังอยู่ในน้ําอยู่อาจจะ หลายวันต่อไปหรือหลายเดือนต่อไปอาจจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำบุคคลนี้หมายความว่าแนะนำได้ท่งางใช้ว่ากลุ่มแรกเรียกว่า ว, วิปวิปจิตวิปจิตันยูอุคติตันยูวิปจิตันยูเราที่สามเรียกว่าไนายะใช่ไหมแต่เราที่สีเนี่ยชื่อเราอะไรนะปะทภประม <laughs> ปร ะ, ระม <laughs> เรามาแปลว่าไงปัจจุบั น, น <laughs> มดอก บ, บัวได้คนกีดหมายความไม่มีโอกาสได้บูวได้เกิดเลยปทธาปรมาปัธาปรมาไ ม, ม่ได้หมายถึงคนโง่นะแต่คนที่ฉลาดมากเกินไปปทธาไปว่าบทใช่ไหมปรมาไปว่ามากเกินมีบทบากมีเหตุผลเยอะเกินไปพวกนักกฎหมายนักปรัช ญ, ญานักจิตวิทยาพวกเนี้ยมีเหตุผลในเรื่องนี้มากเกินไปจากคนฉลาดที่สุดกลายเป็นคนอะไร โง่ที่สุดคือคนที่รู้อะไรมากเกินไปจะไม่ยอมรับอะไรได้ง่ายๆนะก็จะกลายเป็นคนไม่ไม่เข้าใจนี่เขาเรียกว่าปัทัาปรามะท่านบอกบคุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นอาหารของเต่าและปลามายความเป็นอาหารของกิเลสเป็นอาหารของวิชาไปนะนั้นในอนิจจ์สเสจเห็นพงศ์วนปบกนะบอกว่าความจริงนายพระธรรมดมีแค่สามเหล่านะคือคนที่รู้เร็วคนที่รับการอธิบายแลวเข้าใจ คนที่แนะนํากันไปเรื่อยๆอย่างพวกเรานี่ถือว่าเป็นส่วนใหญ่จะเป็นนายะบุคคลนะนายะบุคคลเมื่อเขาแนะนำไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็เข้าใจแต่หลายๆคนที่เป็นอุคติจอุอย่างท่านพระสารีบุตรเนี่ยอพอพระอาชาชี บ, บอกคือท่านถามอ่ ะ, อะนี่ขอเท้าความนิดนึงนะว่าในสมัยเมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆใช่ไหมหลังจากตกลงปรุงใจว่าเออดอกบัวมัน คนก็เหมือนดอกบัวนะถ้าฟังอธิบายไปเรื่อยๆมันจะเข้าใจก็เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับที่พระองค์ได้นิมิตว่าจะเผยแพร่ต่อสมัสสัตว์นั่นเสมือนดอกบัวถึงแม้ว่าจะเกิดในเลนในคนในตมเกิดมากิเลิดตั้หาอุบทานก็ตามต่อเมื่อได้รับแสงสว่างก็อาจจะคือหมายความได้รับการชี้แจงได้รับการบอกเล่าก็อาจจะเข้าใจได้ได คนประเภทนี้เหมือนดอกบัวไม่ใช่ว่ามันจะจมอยู่ในตันหาวประทานในลุมในเลนตลอดเหมือนกับท่านว่าในสมัยนั้นหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้ตรัสสินใจที่จะเผยแพร่เรื่องนี้แล้วเนี่ยท่านก็นึกถึงใครก่อนน ะ, ะนึกถึงใครก่อนอนึกถึงอาจารย์อาจารย์สองท่านอาราระดาวดกับ อุทกาดาบุก็นึกถึงอาจารย์ทั้งสองท่านคืออาจารย์นี้คือหมายความอาจารย์สอนสมถะไม่ใช่อาจารย์สอนอเพราะผู้ที่สอนวิปัสะนาไม่มีในสมัยนั้นพระองค์ค้นพบด้วยตัวเองเรื่องวิปัสะนาแต่สมถะนี่ท่านฝึกมาเยอะนะล่าสุดก็อาร า, ร า, ราดาบุก็อุทกาดาบุก็นึกถึงพอระลึกถึงได้อย่าง น, นท่านได้ทราบโดยพยานนะตามโดยพยานว่าท่านทั้งสองนั้นเพิ่งตายไปนะเมื่อไม่นานนี้เองก็เลย ไม่สามารถที่ไปบอกเรื่องนี้ได้ชุดต่อมาท่านนึกถึงใครนึก ถ, ถึงเพื่อนใช่ไหมเพื่อนที่ตอนแรกก็ตอนที่ท่านบําเพ็ญตาม อ, อาจารย์อื่นๆในเรื่องของสมถานเนี่ยทำจริงจังเคร่งครัดนะเรียกว่าบําเพ็ญทุกกากิริยาทุกรูปแบบหมายความว่าอะไรที่ที่เขาทําสมัยนั้นท่านทําได้หมดแต่ว่าบัรู้ทาไม่ได้แต่ หลังจากที่ท่านได้นิมิตแต่ท่านเปลี่ยนเปลี่ยนใจได้นิมิตอะไรบอกว่าในะขณะีท่านบำเพ็ญทุกกระกยาอย่างรุนแรงเท่าแทบจะชีวิตแทบเป็นแทบตายเนี่ยเป็นลมไปหลายรอบว่างั้นเถอะแต่ว่าพอฟื้นขึ้นมารอบหลังนี้ท่านได้ยินเสียงพินเสียงดนตรีแว่วมาแต่ไกลาอาจจะในสมัยนั้นอาจจะมีสวนสาธานอยู่แถวนั้ น, น, น, น, นอู่รู้เวลาเสนานิคมนะ่ย ท่านก็ได้ยินเสียงเววววมาแต่ตามประวัติท่านบอกว่าใครนะมาแสดงพร อ, อินใช่ไหมพระ อ, อินลงมาดีดพินให้ฟังอันนี้พุทธวัตรเขาต้องสร้างให้หลากหลายนะแต่ในความหมายหลวงพ่อเอาจะมีลูกหลานชาวบ้านเนะ่ยเขาไปอย่างทุกวันเนะีย่ยาเด็กหนุ่มสาวของเรานะ่ยได้กีตาร์ตัวหนึ่งได้พินตัวหนึ่งก็ไปดีดร้องเพลงกันเสร็จแล้วท่านก็ได้ยินเ อ, อตอนแรกมันดังดัง ไปช็กพารมันขาดพึงไปได้ยินเสียงเสียงขาดหายไปท่านก็นึกถึงจินตนาการว่าโอ้ยอันนี้มันคงจะหมุนตึงเกินไปแล้วพอฟังไอทีมันดังเสียงดังทึงทึงทึงทึงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงเสียงก็ไม่เพราะท่านก็นึกถึงจินตนาการมันคงจะหมุนหย่อนเกินไปแล้วพออีกจังหวะหนึ่งไอเสียงไพเราะเพราะพิ้งพอดีมันคงจะปรับได้พอดีพอท่านได้ฟังสามภาษนาท่าเก็ตเลยว่าอ๋อ ที่เราเคยออกบทมาแล้วเราตั้งใจว่าจะปฏิบัติปฏิบัติจนแทบล้มแทบตายก็คือมันหมุนตึงเกินไปเอาจริงเอาจังเกินไปหมุนลรอขาดนะแต่ในสมัยที่เราคลองชีวิตเป็นคราวาดอยู่มันก็หย่อนเกินไปมีอะไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์กรรมมาคุณทั้งหลายนี่ก็ลุยไปหมดเลยก็ทำให้ชีวิตมันหลวมเกินไปก็ไม่สามารถจะรู้สัย จ, จะทมได้ ทีนี้เราก็จะทิ้งทั้งสองอย่างเลยได้เนี่ยหมายความเคร่งคัดก็ไม่เอายานเคร่งจุนเครียดก็ไม่เอาย่อนจนยานก็ไม่เอาลองมาเอาพอดีดูท่านก็เลยทิ้งทั้งสองด้านเลยแล้วก็คือไปพิธาบาดรับอาหารมาฉันตามปกติแล้วก็มานั่งดูดูว่าไอ้ที่เราแสวงหานี่อะไรเราแสวงหาอะไรถ้าก็มาตรวจสอบ ตลเวลานี้เขาเราแสวงหาตามที่เขาว่าเนี่ยจะทำอย่างนี้มันจะได้บรรลุธรรมทำอย่างนี้มันจะเห็นธรรมก็ทําตามเขาว่าแต่ตัวเองไม่มานั่งพิจารณาจริงๆก็คืออะไรท่านก็เริ่มมาพิจารณาใชนใช้คําว่าเปลี่ยนจากการบําเพ็ญทุกกริรกรรมกิริยามาหันมาบําเพญ็ญเพญียรทางจิตใช่ไหมตามประวัติการหันบําเพญ็ญเพญียรทางจิตก็คือมาดูว่ากิเลส ท, ที่ว่าเราก็กิเลสเหตุของทุกข์เรามันเกิดจากกายหรือเกิดจาก จ, ากจิตกันแน่ ท่านก็นเลิก ม, มาท่านบอกว่าเกิดการตัวเฝ้าดูนะเฝาดูขึ้นมาว่าอ๋อกิเลสถ้ากายเนี่ยถ้ากายมันเกิดกิเลสเราเพื่อบรรเทาทางกายจนแทบตายก็ไม่ไม่เห็นว่ากิเลสมันจะหมดอ๋อนะ่มันเกิดจากอะไรก็เฝ้าดูไปเฝ้าดูเฉพาะกายกันนะเฝ้าดูไปไกายมันมีอะไรก็ดูกายก็มีการเคลื่อนไหวมีเวทนามี สองอย่างเนี่ยกายกับเวทนาเป็นเรื่องของกายพอเป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องของจิตกับอารมณ์มันมีสองขันะ้วแล้วไอ้ส่วนที่เป็นกายเรียกว่ารูปไอ้ส่วนที่เป็นใจเรียกว่านามทีนี้ไอ้ตัวกิเลส ท, ที่มันเกิดมันเกิดทางกายหรือทางใจก็เฝ้าดูกายกันกายมันมีอะไรบ้างก็มาลำดับดูหลงเห็นแ้แก่หายหายใจอาหาที่ถึงจืดแล้ว กายมีลมหายใจใช่ไหมอันที่สองที่เราสัมผัสได้ขณะนี้มีอะไรความรู้สึกตึงหย่อนปวดสบายไม่สบายใช่ไหมหรืออันที่สองมีเวทนาอเรานั่งอยู่ในยบปวดนั่งนั่งนานปวดปวเมื่อยแล้วก็ลุกขึ้นเดินเดินนานก็ปวดก็เมื่ยแล้วก็ยืนเฉยยืนนานก็ปวดก็เมื่ยก็นอนลงไปนอนนานก็ปวดก็เมื่อย อ๋อร่างกายมันมีแต่ความปวดความเมื่อยความไม่สบายทางกายในขณะที่เรานั่งในอิบุตสียืนเดินนั่งนอนเนี่ยส่วนอื่นมันรู้สึกยังไงภาพตามีไหมเหล่าไส้ไหลขวามีไหมพิกหน้าพิกหลังมีก็เรียกอิบุตย่อยออท่านก็แบ่งเป็นที่สามอันที่เราเคลื่อนไหวได้นี่อํานาจของธาตุไหนถ้าลมที่เรานั่งได้นี่ธาตุอะไรธาตุดินแล้วในร่างกายของเรามีความ คุณความเย็นความร้อนสลับกันไปสลับกันปเป็นธาตุอะไรธาตุไฟกับธาตุน้ำจะมาเย็นร้อนอ่อนแข็งเขึ้นถึงธาก็มีธาตุสี่แล้วในธาตุสี่นี้พอประสมประสานกับเรีมันเกิดอายวะสามสิบสองส่วนก็ก็ถึงแต่ผมขนเล็บฝนังไปเรื่อยอะสามสิบสองส่วนหนสามสิสองส่วนนี้อาการป็นไงก็มาดูอาการมีความสบายไม่สบายอาการมันมีแค่นั้นสาสิบสองส่วนสามสิบสองชิ้นอาการมีสองอย่างคือความ รู้สึกสบายไม่สบายอาการไซบิสสองเห็นแล้ไม่สบายทําไงก็พลิกออกไปถ้าสบายไปไงบายก็นั่งได้นานหน่อยนอนได้นานยืนได้นานหน่อยถ้าไม่สบายก็พลิกเปลี่ยนไปเอออันนี้ของที่มันไม่ดีพลิกออกไปก็เรียกว่าอสุภะมันไม่ดีไม่งามก็เปลี่ยนออกไปที่เราเปลี่ยนที่เราพลิกต่อเวลาคือต้องการเอาอสุภะคือของที่ไม่ดีไม่งามไม่น่าพอใจไม่ไม่ไม่มันไม่ถูกกับการนั่งก็เปลี่ยนออกไปก็มีแค่หก หนึ่งมีลมหายใจเข้าออกสองมอีริบทสี่สามมีอริบทย่อยสมีธาตุทั้ง4ี่ห้ามีอาการสาสิสองใช่ไหมหกมีของเสียท่านก็มาบัญญัติเรื่องการหเรื่องทีเนี้อ๋อกายมีแค่นี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องในจิตเลยนะกายมีเรื่องแค่นี้เอากิเลสมันเกิดตรงไหนของกายไม่มกีกายไม่ได้สร้างกิเลส อกิเลสมันเกิดจากอะไรก็เริ่มไปดูเอ๊ถ้าเวลาเราปวดขาเราเปลี่ยนเพราะอะไรากายสั่งหรือใจสั่งสังเกตดูเวลานราหนักเลยเราเดีจะเปลี่ยนขาใช่ไหมใครเป็นผู้สั่งใจใช่ไหมออใจเข้ามาเกี่ยวข้องตอนที่เรารู้สึกว่าไม่สบายตัวรู้สึกว่าไม่สบายเนี่ยเป็นตัวกายหรือตัวตัวจิต เ อ, อตัวนี้ดิตัวนี้ฟังให้ดีนะตัวที่เรารู้สึกกายไม่สบายแล้วเราขยับที่จะเปลี่ยนเนี่ยเป็นตัวกายหรือตัวจิตนี่สิแต่ในสถิติฐานสี่มีอะไรนะกายเวทนาจิตธรรมขันห้ามีอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมรูปแล้วก็เวทนา กายแล้วก็เวทนาเอ๊ะตัวเวทนานี่เป็นกายหรือเป็นใจนี่นี่นี่เรื่องของเรื่องมันจะเกิดตรงนี้นะตัดสินไม่ได้ว่าเวทนาเนี่ยมันเกิดจากใจหรือเกิดจากกายปวดขาปวดขานี่เกิดจากกายหรือเกิดจากใจเกิดจากกายครึ่งหนึ่งแล้ว<อ>เกิดจากใจครึ่งหนึ่งตัวนี้เองเราเรียกว่ารูปนาม คือในส่วนที่เกิดจากการเรียกว่ารูปใช่ไหมเกิดจากใจเรียกว่านามเพราะนั้นเบื้องต้นวิปัสนาต้องเรียนเรื่องรูปนามคือเรียนเรื่องของเวทนาเท่านหลวงพ่อพูดว่าเวทนาหมายถึงตัวรูปนามอั น, นี้คือชุดที่เคยเข้ามาแล้วจะเรียนเรื่องนี้ต่อแต่ชุดที่ยังไม่เข้านี่ก็จะยังไม่เคยนะก็จะเรียนเรื่องหกหกประการเมื่อกี้เริ่มจุงนั้นทีนี้ความรู้สึกที่ว่า ร่างกายของเราเวลาสบายบางครั้งไม่สบายมันมีความรู้สึกอยู่สามอย่างคืออะไรความรู้สึกสบายเรียกว่าสุขเวทนาความรู้สึกไม่สบายเรียกว่าขเวทนาความรู้สึกที่ยังไม่ชัดว่าสบายหรือไม่สบายเรียกว่าทุกขามสุขเวทนานนี้เสลงนักเรียนเก่าเยอะนี่นะตอบได้เลยนะดังนั้นก็จะมีะทั้งสามอาการนี่แหล ะ, อะบอกดังนั้นเวทนาจึงเป็นสะพานเชื่อม ระหว่างรูปไปสู่นามเชื่อมระหว่างกายไปสู่ใจเขาเรียกเวทนานั้นเขาบอกว่ารูปได้แก่รูปเวทนาคื อ, อ, อนามได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหลวงพ่อไม่ได้ไมาได้ลงเห็นด้วยร้อเป็เวทนาเป็นได้ทั้งรูปและทั้งนามนะเขาจะแทนที่จะนา ม, มีสี่เขาเอาสามครึ่งก็แล้วกันพครึ่งหนึ่งมันเป็นเรื่องของกายเนี่ยนั่นเราจะมีทขาบอกว่าทำท่างหลายทั้งปวงมีเวทนาเป็นที่ประชุมรวมลง เป็นที่รวมเป็นคอนจังชันเป็นคอนเน็กชันอยู่ตรงเนี้ยระหว่างกายกับใจท่านใช้คำว่าเวทนาสัมโมสารณาเวทนาเป็นที่รวมรวมของธรรมทั้งหลายามีสติประมุขามีสติเป็นประมุกสติอสตูอสตาปัตยะสะตาทิปัตยะมีสติเป็นใหญ่เป็นเจ้ า, านะ แต่ว่ามีตัวเวทนา้เป็นสัมโมุสนาเวทนาสัมมสาานะุสนาคือเป็นที่รวมรมของธรรมทั้งหลายรวมรวมของกายรวมรวมของจิตยอยู่ในเวทนาเมือ่อพระวิคีประเด็นที่หลงพ่อพูดถึงเรื่องไอเดบัวใช่ไหมมันมาถึงตรงนี้ได้ไงเนี่ยมันเสือประเดมมัมาถึงตรงนี้ได้ไงเนี่ยหนีประเด็นมาไกล เราพูดถึงดอกบัวแต่ว่าเมื่อเรามาเกี่ยวข้องกนนี้พออธิบายอย่างนี้ปั๊บพวกเราเข้าใจได้ไหมที่ที่หลวงพ่อพูดเราเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้นี่เรียกว่านัยยะบุคคลคือดอกบัวประเภทที่สามแต่บางคนมีบางคนอาจจะเข้าใจทะลุเลยนะตอนนี้นะมีไหมมีบ้างไหมอุคติจันยูอ่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ปรากฏว่าพระตอนนั้นพระสารีบุตรหรือ อุปติศสส์เนี่ยได้พบกับพระอาจารพระอาจารชีก็ถามพระอาจารชีว่าคือพระอาจารชีตอนที่ตอนที่ฟังพุทธเจ้าแล้วที่ปัจจุบันขีดห้าฟังพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมใช่ไหมหลังจากบรรลุธรรมพุทธเจ้าก็ส่งไปสอนบอกเขาไปคุณธรรมอย่าไปทางเดียวกันแต่ไม่ได้หมายความว่าบรรลุพร้อมกันนะหลังจากฟังธรรมพุทธเจ้าก็เปน็นแหนะนึกถึงปัจจุบัคขีทห้าก็ไปบอกขอย้อนคืนนิดหนึ่ง เราไปบอกบอกว่าไอ้ที่เราทํามาตลอดนะมันมันไม่ใช่ทางที่ทํามาคือบำเพ็ญมาหกปีมันไม่ใช่ทางแต่เดี๋ยวนี้เราพบทางใหม่แล้วซึ่งตอนแรกเบญจวัคคีย์ทั้งห้ก็ไม่เชื่อนะว่าท่านยิงมาพูดเลยเพราะว่าท่านไม่เอาอะไรไม่ได้แล้วก็มาหาเราพวกเราเหมือนเดิอมอ่ะเพราะตอนแรกที่ว่าเฝ้าดูว่าสมณะโคตมะจะบลู่ทำตอนไหนเห็นเท่ากลับมากินข้าว อะไรเหมือนเดิมเนี่ยท่านก็พากันหนีใช่ไหมหนีไปอยู่ไปสิปาณาหลังจากนั้นไม่นานนะพอสมณะคุตมะเจ้าชายก็ตามมาก็พากันนึกในแจอันี้ท่านคงไปไม่รอดมาหาพวกเราแล้อย่าเงี้ยบอกเอางี้ดีกว่านั่นก็เป็นเจ้านายเก่านับถือกันมาก็วางอาสนะไปเลยก็ไม่ต้องไปลุกลับจับไหวแล้ดอกเงี้ยเพราท่านมาจริงๆประกวดแลลืมตัวพอลืมตัวความเคยชินเก่าเป็นเจ้านายก็พากันลุกลับจับไหวแล้ว ป, ปุอยศสนะให้ ท่านก็บอกว่าเออท่านทั้งหลายอ า, อาจจะภาษาเรียกว่าผมผมไม่ผมไม่มีทุกข์ผมพบทางนั้นนะผมไม่มีทุกข์ทั้งห้าองงเลยบุรีก็ใจเนี่ยฉันไม่มีทุกข์แล้วนะฉันเคยพูดคํานี้มาก่อนไหมทั้งห้าคนเออใช่ตั้งแต่คร บ, บท่านสมณะโคดมาหรือสีทธะมาเนี่ยท่านไม่เคยพูดคํา ไม่เคยพูดปดคือท่านไม่เคยพูดคาไม่จริงพเพราะฉะนั้นก็เลยเออใช่งั้นท่านบอกว่าท่านงั้นฟังเดจะพูดให้ฟังแล้วท่านก็มาตัดเรื่องทางสามทางว่าทางที่ไม่ควรเสพหรือทางที่ไม่ควรคบไม่ควรไปเลยเนี่ยหนึ่งท่านใช้คำว่าอาตัตตกิลมัานุโยคคือไปหมกมุ่นมัวเมาในเรื่องของการทรมานตัวเองด้วยวิธีการต่างๆทําตัวเองให้ลําบาก อันที่ทางที่สองคือพอไปทางที่ลําบากมันไปไม่รอดก็มาทางหย่อนเลยหมายความไปเสพสนุกกับเรื่องกรรมคุณให้เต็มที่ชีวิตนี่มีอะไรฉันทํามาหมดแล้วทุกอย่างแล้วไม่เห็นมีอะไรฉันก็กลับมาเสพสุข ก, กับกรรมคุณเต็มที่ทางที่สองว่าสองทางนี้สมณะและผู้แสวงหาไม่คนรเสพคือเร่งจนเครียดหย่อนจนยานแต่เราพบทางที่สามคือทางมัชชิมาปฏิปทาทางนี้ เราจะเดินอย่างไรเพราะส่วนใหญ่เป็นเป็นทางเดินขอบข้างเลยเนี่ยไม่เดินข้างนี้ก็เดินข้างนี้ไม่เดินข้างซ้ายก็เดินทางขวาแต่เดินตรงกลางเนี่ยเดินอย่างไรท่านก็กล่าวถึงเรื่องของสัมมาทิฏฐิว่าทางทั้งหมดมีกี่ทางนะที่ท่านตัดไว้กี่ทางแปดทางใช่ไหมแต่ถ้าถึงที่สุดแล้วมันมีถึงสิบทางนะแต่กําลังเดินนี่ให้เดินให้ครบแปดทางพอไปถึงเป้าหมายแล้วมันจะเพิ่มเพิ่อีกสองทางแต่เพิ่มอย่างไรนี่กล่าวทีหลัง ทีนี้นากก็บอกว่าในทางสายกลางเนี่ยเริ่มต้นจากที่ไหนสัมมาทิฏฐิใช่ไหมมกรคทิน่สัมมาทิฏฐิแล้วเริ่มปฏิบัติอย่างไรนะให้เห็นว่าเขาว่าเห็นถูกคําว่าสัมมาทิฏฐิเห็นถูกเห็นตรงนะเห็นอย่างไรให้เห็นว่าหนึ่งเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นทุกข์นะทุกข์เกิดตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับทุกข์เกิดตลอด ไม่เกิดมากก็เกิดน้อยไม่เกิดหนักก็เกิดเบาแต่ถ้าทำมันเกิดน้อยเราเรียกว่าสบายลิสุขใช่ไหมถ้ามันเกิดยังไม่ชัดเขาเรียกว่าอทุกข์ก ม, มิสุขแต่ถ้ามันเกิดหนักแล้วเรียกว่าทุกข์เกยตรงตลอดเกิดตลอดเราจะรู้ไม่รู้ตลอดอันที่สองทุกข์เหล่านี้มันมาจากไหนทุกข์ทางกายมาจากไหนทุกข์ทางใจมาจากไหนทุกข์ทางกายมาหล า, ายละเอยียดเคยพูดกันทีท่หลังทุกข์ทางกายมาจากอะไร ทุกทางใจมาจากอะไรหาเหตุให้เจออันนี้คือเห็นถูกคือทุกที่ไหนเกิดที่ไหนหาให้เจอนี่เรียกว่าเห็นถูกอันที่สามเมื่อหาหเจอแล้วเอาทุกนั้นออกอันที่สี่ฝึกวิธีที่จะเอาทุกออกเรื่อยๆจนเป็นนิสัยเห็นสี่อย่างนี้เรียกว่าเห็นถูกท่า น, นก็เริ่มเลยนะเพราะฉะนั้นพวกเรามานั่งตรงเนี้ย ตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าร่างกายมันเป็นทุกข์จริงๆใช่ไหมเช่นหายใจเข้าไม่ออกไม่มีหายใจออกก็ทุกข์ภาพตาแล้วไม่หลับก็ทุกข์หลับแล้วไม่ไม่ลืมขึ้นก็ทุกข์นั่งแล้วมันปวดเมื่อยหลายครั้งพลิกไปพลิกมามันก็ยังทุกข์อยู่อย่างนั้นโอ้พระพุทธเจ้าท่านบอกความจริงเราก็เริ่มเห็นว่าอันนี้ถ้าเห็นอย่างนี้เป็นเห็นถูกนะเอเห็นว่าร่างกายนี้สบายเหลือเกิน แล้วก็แสวงหาความสบายตลอดหนีทุกอย่างเดียวไม่มาทำอย่างนี้มันทุกข์ฉันไม่เอาฉันก็จะไปดูนั่งฟังเพลงไปเล่นนู่นไปเทีวนี่สบายเรื่องอะไรจะมานั่งทรมานสาวันห้าวันไห่ใช่ไหมเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นไม่ถูกเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าโอ้ยเมื่อร่างกายมันเป็นทุกข์เราก็มานั่งดูทุกข์ดูทุกข์เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วทําไงเพื่อจะเอาทุกข์เห็นต้นตอมันมาจากไหนเมื่อรู้จักต้นตอแล้วจะได้เอามันออก เมื่อออกแล้วแล้วก็ทำให้มันชำนิชำนาญทุกก็จะหมดไปถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกเห็นถูกนะเพราะฉะนั้นเมื่อพระุเจ้าท่านแสดงอย่างนี้ปั๊บอ๋อคนที่เข้าใจคนแรกคือใครอัญญาโกนทัญยะท่านเกตขึ้นมาบอกว่ายังกินจิสมุทิยะธรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดทั้งหลายทั้งปวงมีการเกิดขึ้นมันต้อ ง, ต, องต้องดับ ทุกมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับปัญหามันเกิดแล้วมันต้องดับเกิดแล้วไม่ดับไม่มีเนี่ยแล้วที่เกิดแล้วมันไม่ดับเพราะอะไรอันนี้คือเงื่อนไขที่เราจะได้ว่ากันต่อไปเนี่ยพอเห็นอย่างนี้ปั๊บท่นบอกว่าเข้าใจรูปนามเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยทุกมันได้อยู่อย่างนี้ตลอดเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปก็ดับอ่าแล้วก็เมื่อมันเกิดมันดับได้มีวิธีดับได้ว่าทุกเป็นตัวผลใช่ไหม สมุทัยเป็นตัวเหตุดับเป็นตัวผลวิธีการเป็นตัวเหตุเพราะฉนั้นพุทธศาสนาย่อแล้วก็เหลือหลักของเหตุกับผลทุกกับสมุทัยเป็นรูปนิโรธกมามักเป็นนามอ๋อเรามาดูลูกอุนามก็ดูอริสัตสีทันย่อดได้อย่างนี้แต่ปรากฏทั้งสามทั้งสี่ท่านยังไม่เก็ตเลยนะพระธยมหานาะอาจาชิวัฏปะพระธยมหานามะอจ า, า, ะ า, าะอจารชิฟังแล้วยั ง, งงงงงอยู่แต่ อัญญากุทิยะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็เลยท่านก็เลยให้ทั้งสี่องค์เนี่ยเก็บอารมณ์เข้มนะไปพร้ อ, รอมๆเบท่านกูทิยะจนออกพรรษาท่านมาเทศเรื่องอนัตตาอีกครั้งหนึ่งก็ประกฏได้บรรลุธรรมทั้งห้าท่านนะองค์แรกนีได้ดวงตาเห็นธรรมฟังครั้งเดียวนะได้ดวงตาเห็นธรรมแต่อีกสี่องค์นั้นมาฟังอีกทีนี้ออกพรรษานอกจากได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรม พร้อมกันหมดเลยทั้งห้าองค์แล้วก็ส่งไปองละทางนะอันนี้คือความเป็นมาแต่ในช่วงที่น่าสนใจคือในช่วงที่ท่านจาริกเดินจากที่อุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยมาอีสิปนรนะมลกทัยวันท่านได้พบบุคคลคนหนึ่งอันนี้ท่านทั้งหลายอาจจะไม่ทราบชื่อว่า อุปกายชีวกคดินคำนี้ไหมอุปกายชีวกคดินนะอุปกาชีวกที่เป็นนักบวชแบบเจ้าชายสิถธาเหมือนกันแต่ว่าสแสวงหาอาจารย์อยู่สแสวงว่าใน อ, อ, อ, อินเดียเนี่ยอาจารย์เยอะเหลือเกินแต่อยากจะสแสวงหาใครที่เป็นผู้บรรลุธรรมที่แท้จริงเรียกว่าอพุทธเนี่ยมีใครบ้างก็สแสวงหามาเรื่อยๆจนกระทั่ง ตอนที่เดินทางพุทธเจ้าเดินทางจากอุรุเวลาเสนาธิคมมาอิสิปตนมฤคไทยวันที่กลุ่มของท่านไปเยเบคีอยู่เนี่ยก็ม า, <ส>มาเดินสวนทางกับท่านอุปกาชีวค่วะว่าเคยชีวกเสาะหาอบุคคลผู้บรรลุธรรมอยู่ทีนี้ท่านไปสังเกตเห็นลักษณะของโคตมะพระเจ้าชายเศรษฐะที่บรรลุธรรมเนี่ยว่ า, าลักษณะอาตาผ่องใสดีนะเดินก็น่าดึงสาย แตก็ไม่ได้คิดว่าเป็นพุทธะก็ถามว่ า, าท่านมาจากไหนมาจากสำนัก ข, ข้างใครปฏิบัติอยู่กับใครอไร น, นันะตอนนั้นท่านก็บรรลุทําใหม่มบอกเราไม่ได้มีครูบาอาจารย์เราไม่มาจากสำนัก ข, ข้างใครเราเป็นสยามภูคําว่าสยามพูนี่เป็นคําใหญ่มากในสมัยนั้นถ้าปัจจุบันเนี่ยเราเป็นพุทธะนี่นะเราเป็นพุทธะผู้รู้เองอ่ะสยามพูเรารู้เองเห็นเองเข้าใจเองเป็นพุทธะ เป็นคำที่ใหญ่เกินไปทีนี้อุปการชีวะ ฟ, ฟังฟังแล้วเป็นไงไม่เชื่อหรอกเพราะว่าเล่าๆดี้ึ ก, ก็สวนทางไปเลยฮะไม่เชื่อหรอก็ำไมง่ายขนาดนั้นหันแสวงหามาตลอดชีวิตยัยงไม่เจอเลยท่านเดินคือในคำว่าสายามพูดหรือผู้บรรลุธรรมเขาะจะต้องเป็นผู้วิเศษใช่ไหมเป็นผู้วิเศษเหาะเดิอนอากาศมีอะไรที่ยิ่งใหญ่อะไรกลางนั่นเดินทางวัดต๊อกตอก๊ตกตกเหมือนกันน่บอกว่าเป็นพุทธได้ยังไองอะไรนะั้นก็ไม่เอา ตรงนี้เองคือส่วนใหญ่ปัจจุบันเป็นอย่างนั้นคือสแสวงหาท่านผู้รู้แต่ว่าเจอผู้รู้หลายท่านแต่เราก็ไม่เชื่อว่าเราพุทธะหรือผู้รู้ผู้บรรลุธรรมในคอนเซปต์ในหัวของเราเนี่ยคือท่านเราตั้งเาเรียกตั้งตั้งตั้งตั้งจินตนาการของเราอีกแบบหนึ่ง อันนี้คือส่วนใหญ่เออผู้บรรลุธรรมต้องเป็นอย่างงี้นะต้องลักษณะนี้นะต้องหน้าตายอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้นะเราตั้งสเปกเอาไว้เรียบร้อยเลยแต่ใครจะก็ตามที่มันไม่ตรงกับสเปกที่เราตั้งเอาไว้นะไม่ใช่อ่ะเจอกันทุกวันก็ไม่ใช่อันนี้คือปัญหาของยุคปัจจุบันเป็นอย่างนั้นแต <c oughs> ่นั้นเองเมื่อ <c oughs> อพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสอย่างนี้แล้ว <c oughs> อส่งสาวกออกไปนะทั้งหกท่านหลัง <c oughs> พอส่งไปแล้วปรากฏว่า ท่านอาจจะเชื่อไปทางบ้านภาษาดิบในสมัยนั้นเป็นเครือข่ายท่านชื่อว่าอุปติสะแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าโกริตะต่อมาได้บทเป็นที่ว่าโมฆราณนะเนี่ยทีนี้พอท่านอุปติสะซึ่งสแสวงหาผู้ผู้รู้เหมือนกันนะเหมือนกับท่านอุปกาชิว์แต่ว่าเห็นนักบวชเมื่อก่อนนักบวชทั้งหลายเนี่ยยอะแยะไปหมดนนในอินเดียเนี่ย แต่เห็นพระบวชรุ่นนี้รู้สึกว่าเกิดความประทับใจเดินสงบไม่เหลยวรลอกแหลกแล้วก็เดินดูแล้วงามดูแล้วสวยทีนี้จะเข้าไปถามว่าท่านมาจากวัดไหนอาจารย์เชื่ออะไรมาจากสำนักของใครนี่ก็กไม่กล้าในขณะนั้นเป็นช่วงเช้าท่านกำลังวิ่ทยบาลก็เลยตามหลังไปงง้างหา พอท่านไปหมายความว่าอาชีพของสมณภาพาบินเทบาตนะ์มีเยอะแยะแล้วในสมัยนั้นก่อนพุริย่าจะรู้ได้ซ้ําไปเพราะมีนักบวชถึงร้อยแปดลัทธสมัยนั้นนะเสร็จแล้วท่านก็ตามไปห่างๆจนกระทั่งไปท่านไปบินเทบาตมาแลมาแวะที่พุ่มไม้ลกไม้แห่งหนึ่งท่านก็ลงมืฉันเพราะสมัยนั้นยังไม่มีวัดวาอารามอะไรก็ไปนั่งฉันพอนั่งกะว่านั่งฉันเสร็จล้างไม้ล้างมือล้างบาดเสร็จเรียบร้อยเข้าไปถามว่า ท่านามาจากสํานักไหนใครเป็นอาจารย์ของท่านแล้วทําที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านเข้าใจนั้นอาจารย์ท่านสอนว่าอย่างไรท่านอาจารย์ชี่ก็เป็นผู้ใหม่ท่านแล้วก็เจียมตัวท่านบอกว่านี่วสุฉันเพิ่งจะออกจากครูบาอาจารย์มาไม่นานเนี่ยการที่ถามปัญหาอันนี้ฉันอาจจะไม่สามารถอธิบายรายละเอียดให้วสุขเข้าใจดนะ ท่านอุปปิสาก็บอกไม่ต้องวิตกเลยเรื่องนั้นขอให้ท่านพูดสั้นๆก็ได้ผมพร้อมที่จะเข้าใจท่านอาชชีก็เลยกล่าวเป็นภาษาของท่านว่าเยธรรมมาเหตุปปาวาเตสั ah, ่งเฮตุงรัทาคตูเตสัญจะโยนิโลทุจเอวังวาทีมหาสมโนแค่นี้ได้ดวงตาเห็นธรรมเลยขอเราได้หรือยังได้แต่งงๆอยู่ อะไรภาษาอะไรนะอา้าวท่านนี้ายว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้มีเหตุเกิดไม่มีอะไรเกิดโดยบังเอิญต้องมีเหตุมาทั้งนั้นนะที่เราว่าบาังเอิญเพราะเราไม่รู้เหตุเพราะฉะนั้นเราจะทุกข์เราก็สร้างเหตุของทุกข์เราจะสุขเราสร้างเหตุของสุขเราจะพ้นทุกข์ก็สร้างเหตุของพุทธเราจะมีทุกข์ก็สร้างที่เหตุบอกว่าอาจารย์ของฉันกล่าวอย่างนี้นะเอวังวาทีมหาสมโน ว่ามหาสมนะกล่าวว่าอย่างนี้คือทุกอย่างมีเหตุไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นโดยบังเอิฟังแค่นี้ท่านได้ดวงตาเห็นธรรมเข้าใจเลยเพราะอะไรเพราะท่านไปพูดแสวงหาเหมือนกันท่านอุปฏิสสะแต่ว่าพอฟังแค่นี้โอ้ใช่จริงถ้าเรามีที่ไปที่มามีเหตุที่ไปที่มาแต่ที่เราคิดเอาเองเนี่ยเพราะเราไม่รู้เหตุถ้ารู้เหตุที่ไปที่มาแล้วเราจะไม่คิดมากขนาดนี้ที่เราคิด เอาเนี่ยไปตามความรู้สึกความสงสัยความรู้เก่าๆของเราแต่เราไม่รู้ที่ไปที่มาเดินคิดเอามานเลยสงสัยแต่พอรู้เหตุนั้นมันหายสงสัยก็มไม่ต้องคิดจิตมันก็ว่างแล้วนั่นเองเข้าใจเลยเข้าใจก็ถามพรอาจารย์อยู่ตรงไห น, นอ๋ออยู่ที่นอยู่อนุปยยะประวันเออเดี๋ยวท่านท่นไปพบท่านที่นั่นแต่ว่าฉันมีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อโคลิตาไปบอกเพื่อนก่อนก็ตามหาเพื่อนไปเชื้อเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวนี้เราเราเจออาจารย์แล้วนะ จเจออาจารย์เจอยังไงตุ้ยเจอก็เล่าให้ฟังหมดแล้วก็อธิบายอธิบายให้ฟังว่าสิ่งทั้งหลายเกิดเหตุแล้วก็ถ้าเป็นคนมีปัญญาโนอะาปิศาเพราะท่านผ่านสำนักมายุสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุเหตุมันคือจากกายมาจากอะไรเหตุจากใจใ จ, ใจของเรามาจากอะไรกายเกิดจากอะไรใจเกิดจากอะไรกิเลสเกิดจากอะไรท่านอธิบายให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ได้เกิดสาตตริเกิดดวงใจอินทรามีคนหนึ่งแล้วก็พากันไปพบ ผู้ทีานะอันนี้เขาเรียกว่าดอกบัวเหล่าที่หนึ่งที่สองเหล่าที่หนึ่งคือท่านพระยาสารีบุตรพอฟังคําอธิบายเพียงนิดหน่อยจากพระอาจารย์สเข้าใจเลยแล้วก็พอมาอธิบายให้เพื่อนฟังเพื่อนเข้าใจได้อีกก็เหล่าที่สองก็วิปปิจตันยูเหล่าที่หนึ่งก็อุคติจตันยูพอฟังเอาอธิบายเข้าใจได้เลยพวกเราทั้งหลายก็ยังไม่เข้าใจก็ รอเป็นเหล่าที่สามก็แล้วกันปฏิบัติไปเรื่อยๆเดี๋ยวเข้าใจเองเนะี่ยอันนี้คือความเป็นไปเป็นมานะดังนั้นวันนี้ที่หลวงพ่อนำเรื่องนี้มากล่าวก็อยากจะให้รู้ที่ไปที่มาว่ากายกับใจที่พุทธเจ้าท่านคน้คนพบในมิติไหนในมิติว่ากายไม่ได้เป็นเหตุของทุกข์ใจก็ไม่ได้เป็นเหตุของทุกข์ แต่เมื่อกายกับใจมาสัมพันธ์กันแล้วไม่รู้ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายตัวไม่รู้นั่นเองเป็นเหตุของทุกข์เราจึงเรียกว่าอะไรอะอันนี้จังเออทไมไกลจัง อ, อวิชาความไม่รู้ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจมันสัมพันธ์กันอย่างไรตัวนี้เป็นต้นเหตุของทุกข์ว่ากายการปิกายมนมันง่วงเป็นไหม ไม่เป็นใจมันง่วงเป็นไหมไม่เป็นใครเป็นผู้ง่วงทีเนี้เพราะเราไม่รู้จักกายตามความเป็จริงไม่รู้จักใจตามความจริงเราก็าเลยไปแก้มันไม่ถูกพอแก้มไม่ถูกเราก็ไปตามมันทีเนี้อันนี้คือเหตุเพราะฉะนั้นในช่วงห้าวันเนี่ยเราจะเรียนรู้กันเรื่องเหตุ ข, ของทุกเพรเรามีทุกเป็นทุกทางกายเป็นพื้นฐานทุกทางจิตเป็นพื้นฐานแล้วแล้วก็มีศรัทธาที่จะมาศึกษาเรื่องนี้ ถือว่าทุกคนมีศรัทธาแล้วก็มีโชคมีความเป็นมามานั่งที่นี่ได้นะถ้ากว่าเราไม่มีความเป็นมามีบุญวาสนาบารามีมาก็จะไม่ได้มาพบกันแบบนี้แต่เมื่อเรามีที่ไปที่มามีบุญวาสนาสั่งสมมาดีแล้วเราก็ต้องช่วยกันศึกษาให้เข้าใจในสิ่งนี้ให้ได้ซึ่งเป็นเรื่องไม่ยากแต่ว่าจะเข้าใจได้มากไน้อยอันนี้เราก็ค่อยศึกษากันไปภายในห้าวันนี้นะ เพราะฉะนั้นช่วงเช้านี้น่าจะที่แจงไว้แค่นีนะ้เพื่อที่เราจะได้ออกไปเดินผ่อนคลายสักพักหนึ่งก็จะรับประทานคูจุมมาหรือเปล่าเดี <S <S ๋วเวลาปกติใช่ไหมเจ็ดโมงนะหันเจ็งสำหรับคนมาที่หลังเลวงพ่อแจ้งให้าร์สเกจจลหรือตารางเวลาอีกครั้งหนึ่งนะช่วงตีสี่ถึงตีห้า ถ้าหากว่าใครมาไหวก็ให้มาในช่วงวันสองวันนี้นะก็จะมีโปรแกรมเรื่องโยคะกรรมฐานโยคะมดิเดชันหนึ่งชั่วโมงแต่คนไหนไม่ไหวจริงๆก็มาไม่คนจะเกินตีห้าแต่คนไหนที่มาไหวก็จะได้ขเขาเรียวอะไรโปรโมโชั่นตัวแรกโยคะมดิเดชันมาฝึกเอาแล้วหลังจากนั้นทีห้า เป็นตนไปถึงหกโมงเช้านี่ก็ทำวัดสดมนแล้วก็ปฏิบัติร่วมกันอย่างละครึ่งชั่วโมงจากหกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงก็จะเป็นช่วงฟังธรรมแล้วก็ถามปัญหาศึกษาอารมณ์แต่ละวันว่า อ, อวันนี้ปฏิบัติมาทั้งวันเป็นอย่างไรแล้วก็จะแก้ไขไปตามเหตุจากนั้นก็แปดโมงครึ่งถึงสิบเอโมงเราก็มานั่งศึกษาด้วยตัวเองหลังจากที่ได้ยินได้ฟังช่วงเช้า ว่าเป็นอย่างนี้นี้แล้วเอาไปทําในช่วงที่ไปทําเราทําถูกหรือทําผิดทำเป็นหรือไม่เป็นก็ในช่วงตนเย็นเราก็จะมาเคลียร์อีกทีนึงนะช่วงเช้าตั้งแต่แปดโมงถึงสิบเอดโมงส่วนจะทําวิธีการแบบไหนอย่างไรในรายละเอียดเราก็พูดกันต่อไปนะจากสิบเอ็ดโมงจนไปถึงประมาณเที่ยงครึง่งนะเราได้รับทานอาหารและพักผ่อนกัน ถ้าผู้มาไว้ที่สุดก็เที่องเครื่องมาใช้ที่สุดไม่ควรเกินบ่ายโมงในช่วงกลางวันนะจากบ่ายโมงไปจนถึงนูน่นนะห้ามงเย็นประมาณสักสี่โมงครึง่งเราอาจจะสอบอารมณ์นะสอบอารมณก็มีสองอย่างกอนำนาจกรรมลมการสอบที่นี่หรือเดินสอบตามจุดต่างๆที่เราปฏิบัติอยู่แล้วนะจนไปถึงประมาณนะห้าโมงหรือห้าโมงครึง่งจากนั้นก็ไปทํากระส่วนตัวอาบน้ําอาบท่ารับน้ะนะําปะณะจนถึงหกโมงครึง่ง แล้วเข้ามาที่นี่มาปฏิบัติรอที่นี่อาจจะในช่วงปฏิบัติเราอาจจะมีการฟังเทปดูหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคําเขียนหลวงพ่ออะไรแล้วจะนิมนต์มาทางวิิ디ทัศน์นะก็จัดทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็สวดมนต์ทำวัดจนไปถึงสามทุม่มปฏิบัติบ้างแล้วก็ฟังสุนทรณาทำถามปัญหาต่างๆในช่วงสองชั่วโมงก็เสร็จสามทุม่มอย่างน้อยก็อาจจะ คือหมายความว่าไปนอนสามทุ่มแต่อาจจะเลือกก่อนหน้านั้นกล่าวว่ามีเวลาที่ไปฝึกอนาปณะก่อนนอนสักสินาทียี่นาทีฝึกให้ชํานาญนะถ้าฝึกอานาปณะสติตอนนอนชํานาญแล้วนี่จะหลับตอนไหนจะตื่นตอนไหนก็ง่ายนะแต่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ฝึกแล้วก็นอนไปตามธรรดาของเราเพราะถ้นอนยากหน่อยนะเพราะในช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทุกไปเปลี่ยนีิบุตรก่อนที่ไปละบาหารก็ขออนุโมทนาสาธุ เราทั้งหลายที่จะศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังและจริงใจแล้วก็ขอให้ความตั้งใจที่เราตั้งใจมาดีแล้วนี่เป็นเพราะว่าปัใจจัยให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจร่างกายและจิตใจตามความเป็นจริงจนสามารถทำให้เกิดสติสมริปัญญาแจ่มแจ้ ง, จงเห็นมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ